ความจำเป็นสำหรับพวกเราทุกท่านทุกคนเพราะดวงจิตดวงใจของเรานี่ยยังไม่ฉลาดยังไม่มีปัญญายังไม่ฉลาดพอเราจะจะสังเกตได้ยังไงที่ว่าใจของพวกเรายังไม่ฉลาด ยังไม่มีปัญญาพอไม่เฉพาะดวงจิตดวงใจของพวกเรานะพูดถึงว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ทุกชาติชนวันณนะทุกเพศทุกวัยมีดวงจิตดวงใจสำหรับที่จะยินดีมาได้ฟังได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแนะ่ะ เพราะมันยังไม่ฉลาดยังไม่มีปัญญาพอให้สังเกตว่าใจถ้าฉลาดแล้วจะไม่เอาของไม่ดีเข้าไปไว้ความไม่ดีนี่ไม่ควรจะให้มีในใจ ถ้าใจฉลาดนะถ้าใจฉลาดใจมีปัญญาแล้วโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าสอนว่าบาปไม่ควรจะเอาไปไว้ที่ดวงใจไม่ควรจะไปสะสมไว้ที่ดวงใจจนเกิดให้จิตใจเป็นบาป ความไม่ดีต่างๆนั่นน่ะพวกเราทุกท่านทุกคนเคยได้เจ็บมาด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามเจ็บมาไว้ที่ใจเรารู้รู้ได้ว่าช่วงจังหวะช่วงเวลาใดที่ใจไม่ดีก็แสดงว่าเราเจ็บความไม่ดีมาไว้แล้ว ความเป็นทุกข์ทางใจจิตใจมีปัญหาลักษณะเหล่านี้เป็นต้นการแสดงว่าเราไปเจ็บเอาความเป็นทุกข์เจ็บเอาเรื่องเจ็บจริงที่มีปัญหามาไว้ที่ใจของเราแล้วถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาได้ยินได้ฟังแล้วไม่รู้เรื่อง ว่าการเจ็บเอาสิ่งที่ไม่ดีทำในสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเนี่นนะไม่รู้เรื่องว่าเราทำความดีหรือไม่ดียังไงเพราะใจของพวกเราที่ไม่มีความฉลาดไม่มีปัญญานั้นก็เพราะมันมีโมหะ ความหลงอวิชชาความไม่รู้อยู่แต่ภายใต้ความสำนึกจิตใจเรี้ยวสัญชาตญาณนี่ต้องการความดีต้องการความสุขต้องการความเจริญขึ้นชื่อว่าความชั่วความไม่ดีเป็นบาปเป็นกรรมนี่ไม่ต้องการอันนี้ภายใต้ความสำนึกความรู้สึกภายในดวงใจของเรา แล้วส่วนความดีที่เนี่ยมันก็ยังมีอยู่มีเพราะเราทำความดีชิดความดีสร้างความดีเอาไว้สร้างไว้แล้วชิดไว้แล้วไปเก็บไว้ที่ดวงใจของเราเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งบางคราวจิตใจของเราดี บางครั้งบางคราวเห็นได้ว่าจิตใจของเรามีความสุขความสบายใจดีใจมีความสุขความสบายแสดงว่าเราทั้งหลายเจ็บสะสมความดีเอาไว้เจ็บความสุขความสบายาไว้เพราะใจของเรานั่นเป็นตูเ้เซฟเก็บสมบัติเหล่านี้ สมบัติอันใดที่มีอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าเห็นสมบัติอันเป็นศีลเป็นธรรมนี้เท่านั้นเป็นของคู่ควรกับจิตใจของเราโดยเฉพาะจิตใจมีความเข่นแข็งจิตใจมีความอดความทน จิตใจมีสติจิตใจมีสมาธิจิตใจมีปัญญาความเป็นธรรมสมบัติหลําค่าเหล่านี้แหละควรจะมาสร้างมาเจ็บสะสมความเป็นธรรมวันนี้ให้เกิดขึ้นมีขึ้นภายในจิตใจของเราเราก็ยอมรับ ว่าื่นเราก็ดีคนอื่นก็ดีถ้าจิตใจก็มีความเช่นแข็งหนักแน่นดีจิตใจมีตติจิตใจมีปัญญาดีพวกเรายอมรับยอมรับยอมรับยกย่องสันเส ร, ริญเพศใดวัยใดก็ดีที่แสดงลักษณะนั้นออกมา ดังนั้นธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เคยขาดจากโลกถ้าเผื่อมีผู้ใด <c oughs> ศึกษาอยู่สืบทอดกันมาอยู่คําว่าธรรมคาสอนขององค์ศาสดานี้ไม่เคยขาดจากโลก ที่ว่าขาดจากโลกนั้นคือหมายกุมว่าไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนให้รู้ว่าธรรมคืออะไรต่อเมื่อมีองค์ศาตดามาตรัสรู้ทำดวงจิตดวงใจดวงพระทัยของพระ อ, องค์ท่านให้พ้นจาก กิเลตันหาอาตะวะพ้นจากความชั่วเป็นจิตใจที่มีบริสุทธิ์พูดผ่องภายในดวงใจดวงพระทัยของพระองค์ท่านแล้วลักษณะของความเป็นธรรมที่เป็นประโยชน์ทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าสอน ความเป็นธรรมที่ให้เกิดความเบื่อความหน่ายใายจากความยึดความถือตัวอย่างที่พวกเราสาทยายอนัตตะละกักณสูตรที่ว่าไปผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยจะว่ารูปังอนิจังแลรูปังอนัตตา ดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายรูปนี้ไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่เป็นผู้หญิงไม่ใช่เป็นผู้ชายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะถ้ารูปนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วมันไม่เป็นไปเพื่ออาบอาดไม่เป็นไปเพื่อความเท่าความแจ่เจ็บไข้ได้ป่วย ฉั้นลักษณะอันนี้เป็นลักษณะความเป็นธรรมที่มีอยู่ในโลกในสรรพสัตว์ทั้งหลายพระพุทธ เ, เจ้าจะมาตรัสรู้ก็ตามยังหรือไม่ได้ตม่มได้มา ต, าตรัสรู้ก็ตามสภาวัสภาพสิ่งเหล่านี้ความเป็นอยู่ของสัตว์ความเป็นอยู่ของมนุษย์มันมีอยู่อย่างนี้ในโลก ถ้าเผื่อไม่มีใครสอนไม่มีใครศึกษาแล้วไม่รู้ความเป็นธรรมคืออะไรทำมจึงเป็นอย่างนั้น <c oughs> ก็เพราะคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้สัตว์ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้มันมีกิเลสตัณหามีอวิชชาพามาเกิดถึงจะ เป็นบุญเป็นกุศลติดดวงจิตดวงใจมาแต่ดวงจิตดวงใจที่มีบุญมีกุศลมาเกิดความมาเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็ยังมีชิเลตมีตัณหามีอวิชชาติดมาด้วยแทรกแซงมาด้วยอยู่ฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงมาเทศนาเสริม สอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เกิดเป็นบุญเป็นความดีของจิตของใจเนี่พระพุทธเจ้าให้เลือกเอาพงสอนแล้วให้เลือกเอาพอใจดีใจมีความสุขเป็นศีลเป็นธรรมเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยเป็นจิตใจที่อยู่ในฐานะความเป็นสมบัติสมบัติสุขตั้งแต่มนุษย์สมบัติเป็นต้นไป สวรรค์สมบัติจนถึงนิพพานสมบัติอันนี้แนวทางของคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาสอนเมื่อได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยเมื่อได้มาประพฤติปฏิบัติอยู่เรื่อย <c oughs> การฝึกการปฏิบัติความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นมีขึ้นอย่างสติธรรมสมาธิธรรมที่เราฝึกเราปฏิบัติเนี่ย เป็นการสร้างกำลังจิตใจของพวกเราสร้างให้จิตใจของเรามีความรู้มีความฉลาดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมาเพิ่มเติมเสริมความฉลาดของจิตใจด้วยความเป็นธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเนี่ยเป็นของสำคัญ ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องความเป็นธรรมไม่ได้ปฏิบัติความเป็นธรรมเพื่อเป็นการเสริมเพิ่มเติมความรู้ของพวกเรานี่ความมืดมนอนตะการจิตใจที่มีอำนาจจิเนตันหาอาวิชชาพบชาติทำให้จิตใจของพวกเราเกิดความเศร้าหมองขุ่นมัวมาเข้ามาเข้ามาเข้ามืดบนอนตะการมาเข้ า, ม, ม, นนามาเข้ามาเข้า นึกถึงความดีไม่ได้มีแต่สิ่งที่เกิดเป็นพิษเป็นภัยจากการกระทาตามอานาจของกิเลสตันหาด้วยโมหะวามหลงฉะนั้นจิตใจถ้ามันความดีนึกไม่ได้มีแต่เรื่องเป็นบาปเป็นกรรมเกิ <c oughs> ดขึ้นมามนไม่จึงไม่รักษาความเป็นสมบัติที่เป็นมนุษย์ จึงมีจะพวกสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทเกิดขึ้นมากับดวงจิตดวงใจที่ไม่มีความดีได้มันเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นความดีเหลือน้อยที่สุดแทบจะไม่มีมีแต่ความอยากมีแต่ความต้องการกิเลตัณหาราคา สัตว์ทุกประเภทเขาก็มีความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ของเขาก็มีในน้ำมันก็มีบนบกก็มีที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนตนกหนูปูปีกก็มีด้วยกันทั้งยินดีในรูปในเสียงของเขาทั้งนั้นฉะนั้นดวงจิต ด, ดวงใจดวงจิต ด, ดวงวิญญาณถ้าอาศัยเฉพาะความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรส ไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องแยกออกไว้ว่าคุณธรรมความเป็นมนุษย์เป็นยังไงขาดคุณธรรมความเป็นมนุษย์ความรู้สึกความอยากความต้องการนี่มันมีแต่คุณธรรมความดีความเป็นมนุษย์มันไม่มีจึงเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่พวกเรารู้รกันอยู่แค่นั่นกัน เกิดขึ้นมามันไม่มีแต่พบของสัตว์เดรัจฉานนี่เท่านั้นเพราะดวงใจนี่มันมันไม่มีตัวไม่มีตน ม, มีแต่กําลังผลดีผลชั่วปรากฏภายในจิตใจถ้าผลชั่วปรากฏภายในจิตใจเป็นทุกข์เป็นโทษทรมานทางด้านจิตใจทุกข์ทุกอกทุกใจจิตใจเป็นทุกข์ทรมานด้วยความทุกข์ถึงนี่ มีชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่อยากจะอยู่เหมือนอย่างที่พวกเรารู้กันอยู่ไม่ถึงคาวตายก็หาเรื่องให้ตัวเองตายทำไมจึงเป็นแบบแบบนั้นก็เพราะชีวิตความเป็นอยู่มันไม่มีความดีในความรู้สึกมันมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามีแต่ทุกข์ลำบากกากกรรมอยู่ภายในดวงจิตดวงใจอย่างนั้นฉะนั้นภพภูมิที่มันมองไม่เห็นด้วยตาเนือ้อจะเพราะจิตใจเป็น ที่เสวยบาปกรรมพระพุทธเจ้าสอนเอให้พวกเราเห็นทุกข์เห็นโทนเหล่านี้จะว่าใบายภูมิภูมิที่เกิดขึ้นมาไม่มีความไม่มีความดีไม่มีความสุขไม่มีความเจริญเปรตผีสุรกายสัตจนรกอะไรสนองนั้นกะระลวนแล้วแต่จิตใจดวงนี้ไม่มีความรู้ไม่มีความฉลาดไปเจ็บ ไปสะสมจากการกระทาจากโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้เก็บไว้แล้วทาไว้แล้วสะสมไว้แล้วใจนี้มันตายไม่เป็นสหลายไม่เป็นทยนโทษนั้นเกิดขึ้นมาแล้วมันจึงเป็นอย่างนั้นนี่ลักษณะที่ว่าจิตใจของพวกเราควบฉลาดยังไม่เพียงพอ ปัญญายังไม่เพียงพอไม่ควรจะประมาทในชีวิตความเป็นอยู่ควรจะยินดีในสิ่งที่พวกเรามีคือมโนโสมบัติความเป็นสมบัติของความเป็นมนุษย์สอนให้จิตใจของเรานี่ยยินดีในความสุขของความเป็นสมบัติถ้าไม่มีการสอนให้จิตใจดวงนี้ยินดีในความเป็นสมบัติ ความเป็นสุขทางวิบัตินั้น <c oughs> มันก็มีแทร ก, กันอยู่ในความรู้สึกอ น, นันเพราะสุขวิบัตินั้นเกิดจากกิเลสมันเกิดจากตัณหาเขาก็ยินดีเขาก็พอใจเหมือนอย่างที่พวกเรารู้ ร, รู้กันอยู่นี่แหละทั่วโลกทั่วแผ่นดินเขาก็มีความสุขเขาก็มีความสบายแต่มันเป็นสุขแบบวิบัติ ที่เขาทำผิดศีลปิดธรรมทาไปแล้วสร้างความเดือดร้อนให้เกียตนและประคนเดิมผิดแม่บทกฎหมายเห็นกันอยู่ไม่ใช่หรือรู้กันอยู่ไม่ใช่หรือที่เขาทำก็ว่าทำก็มีความสุขก็มีความสบายแต่สุขประเภทนั้นมันสุขวิบัติมันสุขน้อยเดียวแต่เกิดเป็นทุกข์เป็นโทษขึ้นมานั่นแหะมันไม่คุ้มค่ากัน อันนี้ตังหากที่พระพุทธเจ้าสอนในบนรรดาสัพพสัตต์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี้สอนให้มีความฉลาดรู้จักเลือกอะไรเป็นสุขวิบัติอะไรเป็นสุขสมบัติสุขสมบัติก็คืออยู่ในขอบเขตของความเป็นศิลปเป็นธรรมอยู่ในขอบเขตของแม่บทกฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะพวกเรามาฝึกอย่างนี้ฝึกความเป็นสมบัติที่ว่าคุณนธรรมความเป็นธรรมเกิดขึ้นมุ่งต่อความสงบเพราะจุดเด่นของความสงบของจิตใจนี่เป็นจุดเด่นที่มีความสุขแบบธรรมชาติ เป็นคุณค่าของจิตใจเป็นคุณสมบัติของจิตใจพวกเราจรึงมาฝึกเพื่อความสงบของจิตใจเลยว่าทำสมาธิหรือฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะทำให้จิตใจของเรารู้ตามกระแสศีลธรรมมานั้น พอสินรรมันนั้นนะ่ะเป็นการเพิ่มธาตุความรู้คือจิตใจของเรานี่เพิ่มสติมากขึ้นเพิ่มปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเป็นการบรรจุเติมไปในตัวเรียนรู้แล้วก็ฝึกไปในตัวปฏิบัติไปในตัวการฝึกการปฏิบัตินี้เป็นการเพิ่มเติมเสริมความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นภายในดวงใจจิตใจ ยังไม่มีความสงบเรามาฝึกให้มีความสงบบรรจุเติมความเป็นธรรมคือสมาธิธรรมขึ้นความอดความทนความภาคความเพียรฝึกให้ใจิตใจมันตื่นตื่นจากความชั่วการได้ยินได้ฟังทุกวันทุกวันฝึกทุกวันทุกวันทุกวั น, วนอันนี้จึงเป็นการเพิ่มเติมความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นทางดวงจิตดวงใจของเรา ความเป็นธรรมเหล่านี้มีมากน้อยขนาดไหนเัเนี่ย <c oughs> เป็นปจัจตังรู้ได้เฉพาะตนถ้าเห็นว่าความเป็นธรรมเติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่ยังไม่เพียงพอเข้ม <c oughs> แข็ ง, ขงเด็ดเดี่ยวขึ้นฝึกปฏิบัติสร้างความเป็นธรรมนี่ให้เกิดขึ้นมีขึ้นช่วงระยะที่พวกเรามีเวลาอยู่ถ้ามันมากขึ้นไปกว่านี้มันจะไม่ไหวอะไรมาก ความเท่าความแจ่มากขึ้นไปกว่านี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นไปกว่านี้มันจะมาไหวพาละอื่นมากขึ้นไปกว่านี้มันไม่ไหวช่วงระยะนี้ยังพอมีโอกาสมีเวลาในการฝึกการปฏิบัติเพื่อเป็นการบรรนงุงจิตใจของเราให้มีสติให้มีปัญญาปัญญาขนาดนี้สติขนาดนี้เป็น ปัจัยต้นเหตุที่พวกเราจะเสริมด้วยคุณศิลปคุณธรรมครอปฏิบัติเป็นพานเข้าใจการฝึกการปฏิบัติของพวกเราอันนี้อสอนให้พวกเราเระเลิกเลิกถึงความเป็นบุญเป็นกุศลของเราความดีและบุญกุศลนี้เท่านั้นที่จะอํานวยความสุขกายสบายใจให้เกิดขึ้นมีขึ้นกับพวกเรา ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลคนเกิดขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีความสุขกายสบายใจแล้วชีวิตนี่จะหาประโยชน์อะไรไม่ได้ถึงจะชีวิตยืนยาวนานไปถึงเกือบร้อยปีหรือร้อยกว่าปีก็าตามถ้าหาความ สุขกายสบายใจไม่ได้แล้วชีวิตนี่จะทนทุกข์ทรมานมากโดยเฉพาะชีวิตของความเป็นคนชีวิตของความเป็นคนผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามนี่แท้ที่จริงแล้วความเป็นคนมนุษย์มนุษส่ว เป็นผู้มีจิตใจสูงสูงส่งด้วยความดีสูงส่งด้วยบุญด้วยกุศลเท่านั้นจึงจะถูกต้องฉะนั้นพี่น้องญาติโยมชาวพุทธ <c oughs> เมื่อถึงวันพระจะเป็นวันพระเจดค่ำแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำก็ตามแต่ พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราระลึกนึกถึงความดีของเรานึกถึงบุญถึงกุศลของเราอย่างที่ว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่สอนให้เราระลึกนึกถึงความดีเอาไว้พวกเราจะไม่เห็นความดีไม่เห็นคุณค่า จากการมีความดีมีความสุขความเจริญเพราะพวกเราอาศัยความดีใช้ความดีอยู่ตลอดอาศัยความสุขความเจริญแล้วใช้ความสุขความเจริญอยู่ตลอดมีแต่ใช้มีแต่ใช้มีแต่ใช้ไปใช้ไปมากเท่าไหร่ยิ่งหมดไปมากเท่านั้น ตัวอย่างที่พวกเราเกิดขึ้นมาพวกเราใช้ความดีในรูปสมบัติของพวกเราแข้งขาหูตาไว้ว่าทุกาัาส่วนเนี่ยเราใช้ไปนานเท่าไหร่ความดีนี้ก็หมดไปเท่านั้นดูตคนอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบก็ไปแล้วลักษณะความดีก็หมดลง สีสันวันณนผิวพรรณนี้หมดไปหมดไปหมดไปหมดไปหูตาเคยสว่างสวัยก็หมดไปหมดไปหมดไปหมดไปความดีที่เราใช้มันหมดไปหมดไปหมดไปถ้าเราใช้อย่างเดียวไม่มีการเพิ่มเติมความดีไม่มีการเพิ่มเติมความสุขความสบายทางจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมให้เกิดเป็นบุญแล้ว ดวงใจดวงเนี่ยมันแก่ไม่เป็นเหมือนรูปร่างมันแก่มันเท่าไม่เป็นเหมือนรูปร่างมันตายมันจะหลายไม่เป็นเหมือนรูปร่างร่างกายของบนหมูรูสัตว์ทั้งหลายที่พวกเราคนนั้นตายคนนี้ตายสัตว์ตัวนั้นตายแท้ที่จริงเด้ว พระพุทธเจ้ามองเห็นสตภาพความเป็นจริงดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณนี่มันไม่ได้ตายไม่เหมือนความรู้ความเห็นของพวกเรานะความรู้ความเห็นของพวกเราถ้าเราไม่ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังคำสอนจากท่านผู้รู้แล้วส่วนมากตัวตายแล้ ว, แ ล, วแล้วไป เกิดขึ้นมาชาติเดียวอยากแกทำอะไรก็ทำไปตายแล้วแล้วไปมีหนำซ้ำยังปฏิเสธว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีเตถีไม่มีถ้าปฏิเสธอย่างนี้ยิ่งไปกันใหญ่โมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้ส่วนมากถ้าเราไม่ได้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า ตามวันพระวันเจา้าวันพระวันศิลที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราได้มาได้ยินได้ฟังฟังเทศฟังธรรม <c oughs> เทศนากระแปลว่า บ, บอกสอนสอนในสิ่งที่พวกเรายังไม่เข้าใจให้เข้าใจ ถ้าพวกเราเชื่อมั่นใน ห, หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเทศนาธรรมฟังเทศนานี่เป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งเด ร, ร๋มัทสวาณะใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมในขณะเดียวกันพวกเราตั้งใจฟังธรรมจิตใจของพวกเราก็ พยานจะล้อมเข้าสู่ความสงบให้ดวงจิตดวงใจของพวกเราฟังทำได้ความสงบการฝึกอย่างนี้การเนืรดอย่างนี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นการรวมบุญรวมกุศลรวมจิตรวมใจให้เข้าหาศีลหาธรรม ถ้าเราฝึกอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ความเป็นบุญจะเกิดขึ้นนอกจากทรมสวมัฒน์ใหมบุญสาเร็จการฟังธรรมแล้วยังเป็นการสำเร็จด้วยภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาที่พวกเราจะได้มีการฟังเทศฟังธรรมและรักษาทำอิจตะทางภาวนานี่ พวกเราก็มีเจตนาโสดเว้นในเรื่องเว้นจากทุกจากโทษแต้พวกเรามีศีลเมศศีล ส, สมบูรณ์ตั้งใจของเราสดับรับฟังคำสอนขององค์ศาสดาและกระทำทางจิตตะภาวนาให้มีความยินดีไม่มีความพอใจ สามลักษณะนี้เป็นบอ่อเกิดแห่งบุญแห่งกุศลพี่น้องญาติโยมทุกท่านทุกคนสมบัติของความเป็นมนุษย์เราเนี่ยควรจะเอาความดีเข้าไปใส่โดยเฉพาะดวงจิตดวงใจของพวกเราควรจะเอาความเป็นบุญเข้าไปไว้ ให้ใจของเรามีบุญเมื่อใจมีบุญแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้บุคคลผู้จิตใจมีบุญจิตใจเป็นบุญมีบุญในดวงใจนอกจากมีบุญในดวงใจพวกเรามาเนิกมาฝึกมาปฏิบัติอยู่ในขอบเขตถึงความเป็นศีลเป็นธรรมอย่างนี้ความดีมันก็เกิดขึ้น เกิดขึ้นทางกายทางวาจาและจิตใจของเราเรียกว่าใจของเรามีความดีเป็นเครื่องอยู่มีบุญเป็นเครื่องอยู่มีความดีเป็นเครื่องอยู่เราใจเป็นผู้มีบุญใจเป็นผู้มีความดีเหล่านี้เป็นต้น <c oughs> พวกเราเคยได้ออกอุทานถึงท่านผู้มีความสุขในฐานะสมบัติ ยศสมบัติที่พวกเราออกอุทานว่าโอ้คนนั้นท่านมีบุญนาะคนนั้นท่านมีความดีนะาหน้าอนุโมทนาหน้าสรรเสริญ น, นี่ชีวิตความเป็นอยู่ของความเป็นมนุษย์ก็เห็นอยู่ที่พวกเราพอจะเลือกได้อยู่ว่าคนมีบุญมีกุศลเป็นยังไง นอกจากนั้นแล้วสิ่งที่เลวหลายสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์เกิดโทษไม่อยากจะมีไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเป็นคือความเป็นบาปเป็นกรรมชั่วช้ารามกทนทุกข์ทรมานคนนั้นเขาเป็นบาปนะคนนั้นเขาเป็นคนที่ไม่ดีนะอะไรนรอกฉันผ่านเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้ เห็นว่าพอสมควรเจเวลาจึงข อ, อยุติไว้เพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่วพวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอ